อและลึกละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าแ่นละเป็นว่าชาวพุทธพวกอ่าที่ถือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือศาสนาก็คือว่าให้และลึกอยู่เสมออถ้าเราละลึกอยู่เรื่อยให้ชำนานให้อแปลว่าความชำนานนี่ลหละ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 ท่าว่าพิจารณาลมท่านกัว่าพิจารณากายเหมือนกันเพราะว่ากายมันอาศัยลมเออมันอาศัยซึ่งกันและกันถ้าพิจารณาลมท่านก็ว่าพิจารณาความตายอพิจารณาเพราะว่าของสองอย่างเอาศัยซึ่งกันและกันอนาบทำนามมรรมก็รูปธรรมนี่ยแต่ว่า พวกเราไม่ได้เล่ลึกอยู่เสมอมันก็เลยลืมลืมลงกหลงความหลงความลืมอนี่แหละมันเป็นเหตุให้พวกเราละ่ละถ้าจะ <c oughs> จะทำอย่างไรก็วันนี้ก่อนวันนั้นก่อนอยู่นั่นหาแววหาแต่หาแต่เรื่องที่จะหลอกตัวเองอยู่นั่นมันก็เลยชาเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทาง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 เาก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายอยู่ทำไมทึงไม่ทำเพราะว่ามันอความหลงตัวนี้มันทำมันจะทำให้คนเราก็ะเลยทำไปจนเอาไปเอามาก็เลยเกิดเรื่องนั้นที่แรกก็ไม่เป็นไรต่อไปมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานี่แหละท่านต้องาให้ละเว้นซะอย่างที่เราสมทานไปแล้วเนี่ยะ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 อันนี้เหมือนกันอะกิเลสมันก็ไปตามกิรยนันของมันจิตมันก็ล่องไปตามกระแสของมันถ้าเราไม่ยกมันไว้มันก็ไปเออเพราะมันชำนานถ้ามันชำนานทีงไหนมันก็ไปท่านั้นนี่แต่ว่าที่เราทำจิตภาวนาเนี่ยมันยังไม่ชำนานการสวกการเสกนี่เรายังไม่ชำนานนานทีมาทมทีมันก็ไม่เออคือเราไม่ได้ทาจิตต่อกันมันก็เลยเออ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 ชิ้นไม่มีทานไม่มีสมาธิไม่มีมันจะเกิด <c oughs> มันจะรู้ได้ขึ้นมากยังไงพอมาได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่ได้เคยเลยเลึกแล้วไม่เคยทุกขังอันนี้จังเลยแล้วไม่เคยเล ย, ล, เ ย, เ ล, ยเลึกเลยแล้วลึกแต่ว่าโอ้ยไปทางนูน้นก็สนุกสนานอะไรเพลิดเพลิ น, นไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสมันก็ไปทางนั้นแหะมันจานาน นะ่ล้เรามาดูคิดดูว่า <c oughs> ที่จะปฏิบัติอประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามาคิดว่าเออผู้ที่จะตั้งใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีส่วนมากหรือว่าเป็นของทำง่ายง่ายโอ้ทำเมื่อไรก็ได้หรอกเออเมื่อแก่เท่าเมื่อทำเมื่ก็ได้เฮไปซะไหน เพราะว่ามันขัดกิเลสมันไม่อยากทำภูมันไปทำอย่างอื่นพุ่นเออทาที่มันต้องการไปหาเทีย่ยวหาเตะหาอะไรตามนี่ขมันมันอยากจะไปทางนูน้นเออไปของเออมันเมาอะไรมันไปทั น, นั่นเพราะว่ามันเออมันชำนาญไปทางนูน่นมันไม่ได้ชำนาญ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 อ่าถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายกันทุกสัตว์กันทุกเสัตว์ประเภทไหนก็ตายแบบประเภทสัตว์าานี้ชั้นสัตว์มนุษย์สัตว์อะไรก็ตายมดสังขารกายสังขารวาจชาสังขารเนี่ยไม่แม้กีหลังย่งยืนไม่คงทุนถาบ่อนั่นแหละเรียกว่าไอ้พวกเราอ่าวันนี้ก็ <c oughs> ตาก็จะอะ <c oughs> จะแสดงให้พอเป็นเครื่องเตือนใจเอาใจบา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 ยัตถะตถาตทาขัตตอาจาราสุเปศิตาติเออมาตถธัมมะวริยายตถะอะทูสาธายัตสัมมเตหิสัคคจังธรมโมสตโบตอ่าทากันตั้งใจเพราะว่าการทำจิตตภาวนานี่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 ไม่อันตราอันตรธานไปได้เพราะว่าอยู่ที่ตัวของเราทานชินหิลิโอตปะพระโหส จ, จะจาคะปัญญาอันนี้เป็นอยทรัพเป็นทรัพที่คงทนทาวรเป็นทรัพจีลังยั่งยืนให้มันมีธาตในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อเวลาเรายังแข็งแรงยังมีลมหายใจก็ออกอยู่ถ้าหมด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 มันเอายากมันไม่มีตุลไม่ตัวแล้วก็เหมือนปลาล่องอยู่ในน้ํานั้นนะมันก็ไม่เห็นตัวมันเห็นไปไว่เห็นล่องเห็นรอยนั่นแหละคนนั้นทึ่ไม่อยากจะทําำคนทึ่อยากจะไม่เห็นแ ล, ลึกไม่พิจรารณาปล่อยเวลาล่วงผ่านไปอืม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 จะเลลึกได้มันหมดแล้วแข้งขาก็เดินไม่ใครได้แล้วหูตาก็มัวไปแล้วจะไปฝึกอะไรมันก็ฝึกยากแล้วเพราะว่ามันออมันหมดสภาพแล้วอืฝึกไม่ไหวแล้วนั่นละ่ะท่านว่าให้ฝึกว่าตั้งแต่เรายังแข็งแรงนี่หละ่ะอะไรอะไรก็เราก็พอจะทําได้นั่งเราก็นั่งนานก็ได้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 จิตตัวนี้มันละเอียดแล้วมันก็ <c oughs> ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันก็ละเอียดถ้าคนไม่ระลึกไม่พิจารณาไม่รู้จักมันมีมันยังไ ม, ม่กระทบถ้ามันกระทบเข้าไปหละมันก็โอ้มันขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันอยู่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 งามเมื่อต้นได้แก่เี้ยงามข้ามกลางได้แก่สมาธิงามเมื้อไปลายได้แก่ปัญญาอธิกรณียนางมัทเชิกลยานางประโยชน์สานักลยานางเอองามเมื่อต้นงามเมื้อปลายงามท้ามกลางงามงามนี่ท่านว่างามสามอย่างเนี่ยถ้าเราอยากได้งามเนี่ยมันทํายากอ่ากว่าจะทําได้โอยเออมันไม่ของทําง่าย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 ล้มไปหมดเลยอนั่นแหละแต่ว่าท่านยังระลึกได้พอลูกทิ้ลูกหาเตือนบอกว่าลูกปูอย่าไปเล่นผ้ามันเหมือนไม่ได้เรื่องนะต้องภาวนานนะถ้าก็หยุดเวล า, นะวาอะเวลาคลอมงาถ้า <c oughs> <c oughs> เวทนาไม่เข้าหนักๆเข้าเลิบอีกนี่ตรงขนาดนั้นนะท่านยังมีลืมอยู่ยังพวกเราเนี่ย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 ท่านห้พิจารณาอยูน่นี่อุปถาท่านสอนเกศาลุมานาขันตาตาตจูดิผมขุนเล็บฟันหนังพิจารณาอยูน่นี่นี่ละทันว่าจิตตะภาวนากรมมฐานอ่าเป็น <c oughs> ตัจัปัญจตาอ่าปัญจตาอ่าต จ, จัปัญจตะกรมรมฐานกรรมฐานเนี่ยก็อยู่ตัวคุกคนไม่มีใครจะไม่มี